พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28กรกฎาคม2555มีชื่อเรื่องว่าติดตามตัวไปได้ด้วยอริยรัพ์คณะนะครูบาอาจารย์ สพปปฐมการศึกษาเขตสมาออกค่ายปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่23สากลับวันที่27อยู่วัดสี่คืนห้าวันออกไปเมื่อวานนีแต่ว่าผลแห่งการปฏิบัติไม่รู้จะออกหัวออกก้อยยังไงว่าเข้ามาเนี่ เขามาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ต้องมีหนังสือแนวความคิดเห็นของแต่ละคนว่ามีความเข็นเห็นอย่างไรที่ได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ผู้อยู่ในวัดทั้งหลายวันพรุ่งนี้จะบวชพระแล้วนะพระทั้งหมดมีอยู่สิบเอดสบอ็ดนาคพอฉันยังหันเสร็จแล้วก็บวชละ และญาติพี่น้องของนาคแต่ละคนผู้อยู่ทางไกลก็คงจะมาพักค้างที่วัดของเราผู้ที่อยู่ใกล้ก็คงจะมาตอนเช้าเพราะฉะนั้นครูบาทุกองค์ต้องช่วยกันดูคือหน้าที่อย่าไปทิ้งให้คนนั้นเป็นหน้าที่คนนี้เป็นหน้าที่ไม่ได้หน้าที่ของเราทุกองค์จะช่วยกันผู้ใหญ่ก็ต้องบอกสิ่งไหนที่พ้าใหม่ครูบา เข้ามาใหม่ยังไม่รู้กระ บ, บอกจะให้อยู่ในตําแหน่งไหนให้อยู่ในดูแลเรื่องอะไรในเมื่อเราได้รับความได้รับมอบหมายจากครูบาอาจารย์แล้วก็ให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดน่นะคือรู้จักหน้าที่ต้องดูแลพี่น้องคณะญาตาญาติโยมโลูกหลานที่มาเกี่ยวข้องผู้ที่มาเกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงเราจะไปถืออย่างอื่นไม่ได้ น, นั้นคือทายาท คือญาติพี่น้องของเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธทเจ้าคือทำงานบริษัทเดียวกันพวกทำงานพวกเราทำงานบริษัทเดียวกันนี่ว่าพุทธบริษัทเราจะถือเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องใช้เสื้อ เ, เสื้ อ, อยูนิฟอร์มเดียวกันชุดผ้าเหลืองอันนี้คือขั้นหัวหน้าผ้าเหลือง แต่กานั่นกับพุทธบริษัทสีอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นผู้ตามแต่ถือทำงานหรือว่าเรื่อมใสศรัทธาทำงานในในบริษัทนี้คือพุทธบริษัทเพราะนั่นถือว่าพวกเราทำงานในบริษัทเดียวกันคือบริษัทพุทธพุทธบริษัทเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะช่วยช่วยกันดู กุติหลังไหนอยู่ทางในครัวก็เหมือนกันให้ช่วยๆกันทําความสะอาดด้วยพี่น้องทางหลายจะได้เข้ามาช่วงนี้เป็นช่วงจะเข้าพรรษาพอบวชไม่กี่วันนั่นก็ว่าเป็นวันเข้าพรรษาแล้ววันที่สองเป็นเป็นวันอาสารหบูชาวันที่สก็เป็นวันเข้าพรรษานี่ก็ต้องฝ่ายพระสงฆ์มาช่วยๆทางฝ่ายพระเหมือนกัน มีความจำเป็นกันนน่ะทางที่พักผู้ติดตามก็หายไปพักได้ก็สุดแถะแต่พระสงฆ์จะลงมติกันอย่างไรช่วยๆกันดูแต่สำหรับหลวงพ่อเนี่ยในช่วงนี้ไม่แน่นอนที่สุดทำไมจึงว่าไม่แน่นอนโยมพี่ของหลวงพ่อก็ป่วยไม่รู้จะออกหัวออกก้อยเหมือนกันทีศีนคริน วันนี้เขาก็โทรมาแต่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นหน่อยหนึ่งแต่พออุ่นใจพออุ่นใจในโยมพี่ก็โทรศัพท์มาจากมุ่ยทรายมหาโซเฟอร์อีกปวันหลวงปู่จามป่วยหนักหนักกว่าทุกครั้งที่เป็นมาก็ขอในมวน์คูบาเข้าไปร่วมตัดชิ้นใจด้วยมมือเช้าเนี่ยพอหลวงพ่อได้ยินคำนี้หลวงพ่อก็ สึกัดเหมือนกันเออตายทําไมประเดประดังถึงขนาดนี้วะไม่รู้งานอะไรตัวมีอะไรทั้งงานหลวงงานราดทั้งงานในวัดทั้งงานนอกวัดก็สรุปแล้วก็คืออยากจะให้ไปช่วยตัดสินใจเนี่แหละคำว่าตัดสินใจคํำนี้แหละมันเป็นเรื่องที่เอตัดสินใจผิด หรือตัดทิ้งใจผูกนะหรือตัดสินใจยังไงเป็นที่ยอมรับของคนไหมเมื่อตัดสิ้งใจลงไปแล้วนะี่แหละแต่ว่าใครก็ไม่กล้าตัดสิ้งใจก็ก็ต้องเรียกมาหาเนี่ยแหละหลวงพ่อเนะี่ยจะทํำยังไงถ้าววัชรนัตธาญาดโยมลูกหลานทุกอง พ, พระเนนพระลูกนัตถาญาดโยมถ้าหลวงพ่อไม่เห็นหลวงพ่อวันบวชวันพุธนี้เนะี่ย ก็แสดงว่าหลวงปู่จามป่วยหนักนะคณะสาญญาตัตยาแยโยมลูกหลานหลวงพ่อหลวงพ่อจะถึงอย่างไงยังไงงานนั้นคืองานใหญ่กว่างานของงานบวชในรู้สึกว่าถึงจากย่างไงถึงเกี่ยวข้อบหลวงพ่อโดยตรงก็ถือว่างานยังน้อยงานเรื่องนั้นเป็นงานใหญ่มากเป็นงานที่ตัดสินใจแบบหัวเลี้ยวหัวต่อคนระดับประเทศที่จะมาเกี่ยวข้อง ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยเพราะนั้นหลวงพ่อเองจะต้องได้คิดละคิดหนักสรุปแล้วแต่เรื่องโยมพี่ก็อีกส่วนหนึ่งถึงนยังไงก็มองโรงพยาบาลเขามีแต่พยายามประสานงานติดต่อแต่หลวงปู่จามรู้สึกว่าหนักหนาพอสมควรในความรู้สึกของหลวงพ่อนะ นั้นขอให้พวกเราทุกท่านคณะจัตตารยาจุลผู้เกี่ยวข้องหลวงพ่อหลวงพ่อบอกไว้แล้วว่าถ้าไม่เห็นหลวงพ่อจะแปลกใจให้สรุปแล้วคือเรื่องมันใหญ่หลวงพ่อจะต้องฟังอยู่ตลอดพอได้รับข่าวเมื่อเช้านี่เองเมื่อก่อนจะขึ้นมาสล า, าเนี่ยเขาโทรมาจากมุกดาหารบอกว่าหลวงปู่ไม่เคยหนักอย่างนี้มาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักกว่าทุกครั้งแต่อายุของท่านก็ วันที่19พฤษภาเนี่ยร้อยสามปีเต็มปีนี้ก็ป้ากอเป็นร้อยสี่ปีพฤษภามิถุนากรกขดาแนะปลว่าสามเดือนสามเดือนกว่าสองเดือนกว่ากว่าเกือบสาเดือนกรกขดานี่แหละอันนี้คือภารกิจที่หลวงพ่อจะต้องได้ ใช้ความคิดแล้วก็นหนักหนักสรุปแล้วก็คือหนักทำไมเข้ามายามช่วงขับขันอย่างนี้ถ้าถ้าเข้าพรรษาไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าออกพรรษาไปแล้วก็เออเอ่อก็แบบหนึ่งแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่หนักหนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะแต่จะทำยังไงได้ทาดขันละร่างกายเกิดแก่เจ็บตาย เราจะไปตกแต่งได้หรอือข้าไปเจ้ารวยๆซะก่อนข้าไปเจ้าจึงจะตายข้าไปเจ้าให้รู้ให้คนรู้จักให้พี่น้องลูกหลานพร้อมเพียงสมัคคีกันซะก่อนข้าจึงตายแต่คิดได้ถือทําได้อย่างนั้นมันก็ดีเนี่ยแต่นั้นมันเลือกไม่ได้แต่เพราะันนั้นตายเวลาไหนก็ตายแต่ข้อสําคัญในใจของเราหมดหลุดพ้นจากอาสวัคิเลส ถ้าหัวใจของเราหมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วถึงจะตกถูกไฟเผาน้ำท่วมถูกฆ่าอย่างพโมคราท่านก็ไม่เดือดไม่ร้อนเพราะใจของท่านเป็นพระหานแล้วแต่ถ้าหัวใจของเรายังเป็นปุถุชนอยู่อย่างพระเจ้าสุ ป, ปพุทธะเป็นพระเจ้าแผ่นเดนเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นพ่อตาของพระพุทธเจ้าเป็นพระบิดาของนางพิมพายะโสธราเป็นพ่อของพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นพระเจ้ากรุงวิเทหะที่แผ่นดินสูบถึงจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เถอะแล้วก็ทำกรรมทำกรรมสิ่งที่ไม่ดีตกนรกในตั้งแผ่นดินสูบ ถึงยังไงมันก็ไม่ดีถึงจะเป็นพระเจ้าไปดินก็ไม่ดีถ้าว่าเราทำจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วถึงจะเป็นปุตุชนหาข้าวจะกินไม่ไม่มีก็ดีเพราะอะไรเราจะไม่มาเกิดอีกทำจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วนี่แหละถึงจะตายยังไงก็ดีถ้าตายเป็นพระหันตายนะแต่ปุตุชนตายตายยังไงก็ไม่ดี แต่ยิ่งมีบาปมีกรรมในจิตในใจแล้วตายแตยิ่งออไม่ดีเลยไม่รู้จะลงนรกหลุมไหนแต่เต้าทำจิตใจของเราสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ยังมีที่พักพาใส่เมื่อเดินทางออกจากภพนี้ชาตินี้เดินทางออกจากประเทศไทยก็ยังมีบัตร ATM เอมยังมีอะไรติดกระเป๋าเพชรนินกินดาเงินคำทรัพย์สมบัติ กะเป๋าไปด้วยเพราะเมืองผีไม่มีขโมยนะไม่มีขโมยไม่มีโจรไม่มีผู้ร้ายเมืองผีชกกันไม่ได้เพราะนั้นถึงเงินเพชรนินจินดาจะเต็มกระเป๋าไปเขาไม่มีใครแย่งไม่มีใครชิงบุญกุศลมันอยู่ในจิตในใจของแต่ละคนพอพ้นออกจากภพนี้ชาตินี้บุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจของเราใจของเราเต็มไปด้วยบุญด้วยกุศลไปนบภพ ภูมิใดก็มีแต่ความสงบผาสุขอยู่ในภพภูมินั้นๆเพราะทําบุญคําว่าภพภูมินั้นๆก็ไม่ใช่ว่าภพภูมินรกจะได้ไปสุขในเป็นสุขในนรกไม่ใช่นะอันนั้นคนที่มีบาปถ้าคนมีบาปเขาต้องไปทางต่ําไม่ต้องพูดถึงคนทางต่ําคือคนจนคนจนที่ออกจากอยู่ในชาตินี้ก็จนออกนอกประเทศไทยไปก็จนยิ่งจนกว่าเก่าอีก แต่อยู่ในเมืองไทยเาย่ายังโชคใครๆเขารู้จักพอะจะแบ่งปันให้อยู่ให้กินได้แต่ออกจากนอกประเทศละไทยจะไปรู้นะยิ่งจนยิ่งไม่มีอะไรที่จะซื้อกินนี้ก็เหมือนการอุบุญกุศลเราที่สั่งสมบุญดีแล้วนี้เกิดในภพอยู่ในภพนี้ชาตินี้ก็ดีมีความพาสุกออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วก็มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความพาสุก เป็นพระอริยะพระอรหันต์พระอนาคามีพระสกทาพระสกทาคามีพระโจโดาบันอ่าแล้วก็เป็นผู้มีบุญได้สั่งสมโดยอเนสงทานศีลภาวนาล้วนแล้วจะเป็นให้ผลเป็นเสเต็ปสเต็ปแล้วเป็นระดับระดั บ, ดบผู้มีทานมีศีลอยังไม่พ้นทุกแต่ภาวนาก็ไปสู่พรม แต่มีอันนี้สงศินอันนี้สงทานอันนี้สงปฏิบัติบิดามารดาคุณงามความดีไปสู่สวรรค์ถึงจะเป็นปุถุชนก็ยังยังมีระดับไปถ้าเป็นพระโสดาบันนะเออนั่นแหละพระสกทาคามีพระนาคามีพระหัน์มันมีขั้นตอนของท่านท่านเหล่านั้นแปลว่าเป็นมาตรฐานเนี่ยเป็นว่าผู้ไม่ตกต่ําคือพระโสดาบันแต่นอกจากพระโสดาบันลงมาแล้ว พร้อมที่จะไปได้ทุกหัวและแหง่งแต่ชาตินี้เป็นเป็นพระแต่ชาติต่อไปอาจจะตกนรกหมกไหม้เป็นหมูหมากาไก่เป็นได้ทั้งนั้นเ พ, ออเพราะเหตุไรเพราะยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันถ้าพระโสดาบันแลแปลว่าเกาะบันไดขั้นที่หนึ่งมันมีอยู่สี่ขั้นพร้อมจะเกาะขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สไม่ไม่แปลว่าเกาะบันไดได้แล้วพร้อมที่จะขึ้นสูงได้ตลอด ถาว่านอกจากพระโสดาบันแล้วยังลอยน้าปกปลอมปอกปอมไม่รู้จะมุดไปทางไหนเขาไมา่รู้นี่แหละอันนี้ก็คือผู้ทุชนยังไม่แน่นอนถ้าเป็นพระอริยชนแล้วก็คือพระโสดาบันแล้วก็แน่นอนเพราะฉะนั้นจะพวกเราใครจะเป็นคนทําให้เราใครจะเป็นคนสั่งสมบุญกุศลให้เราใครจะเป็นคนประกอบคุณงามความดีแทนเราไม่ได้ เราต้องทำเองเราต้องเรียนหนังสือเรา ต, ต้องรู้เองฉลาดเองถ้าเราขี้เกียจเรียนหนังสือเราจะฉลาดได้ยังไงบางเสียงบางอย่างมันทำแทนกันได้แต่บางเสียงบางอย่างแทนกันไม่ได้อย่างเราหิวอาหารให้ลูกเให้ลูกๆที่รักพอ่อนักแม่แล้วคนที่รักเราทานอาหารแทนเราเราอิม่มเราจะอิ่มเพราะเขาคนอื่นที่รักเรา ทานอาหารแทนเรามันแทนไม่ได้เราต้องกินเองนี่ก็เหมือนกันคุณงามความดีคนอื่นจะทำแทนเราก็ก็ได้เขาแต่ถ้าเราทำเราก็ได้เราเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราทำเองจึงได้คนอื่นทำแทนไม่ได้ไม่ใช่ว่าทําแทนได้ทุกอย่างนะแต่ไม่คิดว่าทำแทนไม่ได้สักอย่างเลยใช่ไหมก็มีที่ทำแทนได้ก็มี แต่บางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นตัวของเราส่วนตัวของเราเร า, เราต้องทาเองในกระจวนจะเข้าพรรษาคณะจัท ธ, ธาญายาจูงผลวงพ่อในเตือนแล้วบอกอี ก, กล่าวอีกอย่างตั้งอยู่ในความประมาทเนอร์ในพรรษาถ้าเป็นไปได้ข็ให้ตั้งจิตอธิษฐานเราจะยึดอะไรในพรรษานี้เราจะรักษาศิน5เราจะไปวัดรักษาชินอุโบสถทุกวันพระ เราจะทำบุญทุกวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ก็สุดแท้แต่ให้มีความในใจสักอย่างหนึ่งในพรรษา ท, ที่จะถึงนี้ไม่ใช่ว่าพรรษาไหนก็ผ่านไปพรรษาไหนก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปมันไม่ใช่ผ่านแต่การเวลานะชีวิตของเราก็ผ่านไปด้วยปีนี้ก็แก่กว่าปีที่แล้วต่อไปก็แก่ไปเรื่อยๆแก่ไปไหน เราเห็นคนแก่แก่ไปไหนแก่ไปหาจุดจบของชีวิตคือความตายอันนี้ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันนะเพียงแต่ชี้ให้เห็นถ้าเราไม่ชี้ให้กันดูเดี๋ยวก็จะเผลอลืมตัวไปได้ง่ายๆพรา ก, กิเลสในใจของเราเนี่ยมันชอบสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาชอบลืมชอบหลงในสิ่งที่อันตรายจะมาถึง แต่ทำคําสอนของพระพุทธเจ้านะท่านมาให้หลงมาให้เผยเลยนะให้มองไปข้างหน้าให้ดูนะสิ่งไหนที่จะเป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายอย่างมากสําหรับชีวิตของเราให้ช่วยกันดูนะข้างหน้านะมร ณ, ะณะาพัยนะเราจะหาทางออกอย่างไรนะเราจะสังสมคุณงามความดีอย่างไรนะที่จะเมื่อมันมาถึงแล้วเราจะไปทางไหนเรามีสมบัติติดกระเป๋า พอหระอยางสมบัติของเราติดจิตติดใจของเราเพียงพอหรือยังอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อให้พูดว่าในปัรษานี้พวกเราควรจะสังสมคุณงามความดีก็คือสรุปแล้วก็คือให้หาเงินหาเงินใส่กระเป๋าดูหาบุญเข้าสู่จิตใจในคนมีบุญแล้วไปนะไปสถานที่ใดลมเย็นเป็นจุกทั้งนั้นอะ่ะถ้าคนมีบาปแล้วก็อย่า ง, างว่าน ที่หลวงพ่อได้พูดคนมีบาปเหมือนกับคนไม่มีเงินออกจากประเทศไทยไปแล้วไปต่างประเทศก็ยิ่งจนใหญ่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะไม่มีเงินถ้าคนมีเงินไปที่ไหนก็สะดวกสบายเพราะเปละโลกภายภาคหน้ามันแย่งกันไม่ได้นะไม่มีใครมาแย่งมาชิงหรอกบุญกุศลอยู่ในกระเป๋าของเราถ้าว่าอย่างเมืองโลกของเราเนี่ย ถ้ามีเงินเพชรดินจินดาไปเนะีย่ยโจรผู้ร้ายอาจจะมาแย่งมาชิงของเราไปได้แต่บุญกุศลไม่มีใครแย่งใครชิงของใครของเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะพรรษาที่จะถึงเนี่ยหลวงพ่อย้ำแล้วเน้นอีกให้พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทลูกหลานเพราะพวกเราเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทเราเป็นบริษัท ทำงานด้วยกันต้องกล่าวย้ำเตือนกันจะทำยังไงบริษัทของเราจะเจริญจะก้าวหน้าทุกคนมีอยู่มีกินมีความสุขท้วนหน้ากันนี่แหละต้องกล่าวบอกย้ำเตือนกันไม่ใช่ว่ามาทำงานบริษัทแล้วก็กินเหล้าเมาใจสมัมฤทธเทเมาคนหนึ่งออกทางหนึ่งคนหนึ่งออกทั้งหนึ่งผลที่สุดบริษัทของเรากือร่อยล้อเจ๊งในง่ายๆทั้งที่บริษัทดี มีคุณภาพพร้อมที่จะร่ำรวยท้านเราส่งเสริมบริษัทของเรานี้ก็เหมือนกันะพวกเราพุทธบริษัทถ้าเราส่งเสริมกันมีแต่ความผาสุกสวรรค์นิพพานเป็นที่ไปแต่พวกเราไม่ได้ใส่ใจกันนั่นพุทธบริษัทไม่ใส่ใจไปยังไงกับบริษัท ต, ต่อไปก็ล่อยหล่อลงไปเรื่อยๆผลที่สุดก็เจ๊งในที่สุด เดี๋ยวนี้พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านว่าศาสนาห้าพันปีเลยคือกลึงพุทธการห้าพันปีคืงพุทธการแต่ถ้าว่าคนยังนับถือเลื่อมใสอยู <genetics> hijos, ่ไ <earthqu> ม่ว่าแต่หมื่นปีแสนปีไปได้อีกแต่ถ้าว่าคนไม่นับถือเลื่อมใสแล้วไม่ถึงไม่ไม่ต้องว่าถึงห้าพันปีอาจจะหมดในวันในเร็ววัน พระพุทธเจ้าท่านตัดอย่างนั้นอันนี้คือหลักเหตุผลนั่นรับพรนั่นโมทนาให้พ่ร